พฤหัสกับอเวลานัดดูหนังกันโดยพฤหัสเป็นฝ่ายมารอตั้งแต่ห้างเปิดได้ไม่นานนักการคบหาของทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งคู่มีใจตรงกันในเรื่องความบันเทิงชอบดูหนังแนวเดียวกันโปรดปรานนักร้องคนเดียวกันมีรสนิยมใกล้เคียงกันเกือบทุกด้านอีกทั้งยามเดินเคียงคู่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความต่างวัยกันได้ พฤหัสรู้สึกว่าอเวราเป็นคนดีมีความจริงใจข้อสบายหัว อ, อกทุกครั้งเมื่อเห็นหน้าได้ยินเสียงของเธอสองฝ่ายต่างหลงหลกันหลอนปลื้มเขาและเขาก็ปลืมล้มหลอนเช่นกันถึงไหนแล้วพี่เคกถึงห้างแล้วจ้ากำลังหาที่จอดแต่รถติดยาวเชียวถ้าอยู่ไหนอะ อยู่ในหัวใจของพี่เคก็กตลอดเวลาอยู่ชั้นไหนเดี๋ยวเค้กจะได้ไปหาถูกชั้นสวนอาหารนะมาเร็วๆล่ะผมคิดถึงเฮ้ยนั่นมันไอ้เลิกนี่วาเดินไปกับใครวะสาวสวยซะด้วยต้องรีบไปทักหน่อยแล้วเฮ้ยเลิกตอยเออว่าไงเฮ้ยมาทำไรวะแล้วหายไปไหนอะไม่มาโรงเรียนตั้งอาทิตย์ หรือว่าไม่มีตังใจ่ค่เทอมกูมีธุระด่วนต้องทํานิดหน่อยธุระอะไรวะแล้วนั่นหน้าไปโดนอะไรมาเออนิดหน่อยนะไปก่อนนะแล้ว เ, เจอกันอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยเรเออไอ้หาเราิไม่จะรีบไปไหนวะแถมไม่ยอมแนะนำสาวสวยให้รู้จักซะด้วยฮิ ห, หรือว่ากลัวแนะนำให้รู้จักแล้วสาวน่าจะมาปิ๊งเราแทนฮ่า ควหล่อมันผิดกันเพื่อนแต่ว่าสาวคนนั้นสวยชะมัดเลยอยากรู้จักจริงๆเกิดมาเจอคนสวยก็เยอะแต่ไม่มีใครสวยเหมือนแม่สาวคนนี้เลยเวยอยากรู้จักจริงไอ้ฮาร์เรสเสกหัวกางซะนี่แหมขนาดเห็นแค่แป๊บๆยังติดตาขนาดนี้ถ้าได้เห็นเต็มตาได้ยินเสียงด้วยมันจะขนาดไหนนะตายตาย อ้า ว, าวพี่เค้กมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสักพักแล้วเรียกเธออยู่ตั้งนานอ่ะมัวคิดอะไรอยู่จ้ะอ๋อคิดถึงพี่เค้กยังไงล่ะครับปากหวานใหญ่แล้วรีบขึ้นไปกันเถอะหนังใกล้ฉายแล้วมะอืมหลังจากทั้งสองดูหนังจบก็ออกไปนั่งรับประทานไอศครีมในห้างอืมหนังเรื่องนี้สนุกดีนะโปรแกรมหน้ามีหนังหน้าดูเหมือนกันนะเราไปด้วยกันดีไหม ตอยตอยเอ่ อ, อขอโทษทีพี่เค้กถามว่าอะไรนะะเมือเ่อแต่ฝันถึงสาวไหนอยู่เนี่ยปล่อยให้พี่พูดคนเดียวอยู่ตั้งนานอะ่ะอ๋อเมื่อกี้ดูหนังรัก ก, ก็เลยอินไปหน่อยก็เลยกําลังฝันหวานถึงวันที่เราสองคนจะได้วิ่งเล่นกันแถวชายหาดเหมือนพระเอกนางเอกในหนังไงอยากไปเที่ยวทะเลเหรออยากสิเค้กก็อยากงั้นอาทิตย์หน้าไปเที่ยวกันไปครั้งที่จะอําสักคืนนะ ได้สวยเลยกูไม่ได้อยากไปเลยปากพาสวยแท้ๆเพราะมัวแต่คิดถึงสาวสวยข้างไอเรือกนี่แหละอืมไปกันเช้าวันเสาร์นะก็แล้วแต่พี่เคสะดวกแล้วกันอืมบอกแล้วไงไม่ต้องเรียกพี่แล้วอ๋อก็เรียกมากไม่เรียกมากอะ่ะบางทีมันก็ยังติดแบบเดิมอยู่นี่นาเอออีกเรื่องหนึง่ง จะดีไหมถ้าเค้กไปเช่าห้องอยู่ใกล้ที่ทำงานเฮ้อว้าวนี่ตั้งใจจะใช้เป็นเรือนหอของเราหรือเปล่าเนี่ยก็ดีสิแล้วพี่เค้กจะย้ายออกจากบ้านเลยหรือเปล่าล่ะเปล่ารอกบางวันหรือว่าเสาร์อาทิตย์คงกลับบ้านเนี่ยวันธรรมดาแค่อยากเลี่ยงรถติดแล้วก็เอ่อจะได้มีที่ทางส่วนตัวด้วยเฮ้ยเจ้าจริงเหรอวะไหวไหมเนี่ยเรา แม่ผมก็อยากอยู่หอพักจะแย่คี้เขียจเดินทางเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ให้เนี่ยสิจริงสิต่อยยังเด็กเขายังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเออต่อยจะมาค้างกับพี่สักอาทิตย์และสองสามคืนได้ไหมเธอเป็นผู้ชายน่าจะเคยออกมาค้างหอพักเพื่อนนี่นาะพ่อแม่คงไม่ว่าหรอกอ๋อไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่แหม เกรงใจจังข้าห้องผมควรช่วยออกมั่งนะเรื่องนั้นน่ะช่างเธอพี่จัดการเองได้ทั้งหมดโดยไม่เดือดร้อนแค่เธอเต็มใจมาอยู่ด้วยก็ดีแล้วโท่เต็มใจเลครับพี่เต็มใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยด้วยเอาเวลาเลือกเส้นทางของตนเองโดยพยายามปิดหูปิดตาไม่คาดหวังกับเรื่องวันข้างหน้าตั้งใจเพียงขอกอบโกยความสุขใส่ตัว ให้เต็มที่ในวันนี้ก็พอแล้วหารู้ไม่ว่าปลายทางของถนนแห่งกิเลตตันหาราคะนั้นมันจะมีความเร่าร้อนและทุกทนเพียงใดรอคอยอยู่พลหัสนอนกระสับกระส่ายอยู่ในห้องรู้สึกหัวใจคันยิบยับบอกไม่ถูกขนาดเปิดเพลงโปรดดังขนาดนี้ก็ไม่สามารถขจัดอาการกระวนกระวายใจได้ฮเฮ้ย <c oughs> เขาคิดถึงแต่หน้าสาวน้อยที่เดินเคียงคู่กับจองเร็กนึกอิจฉาและมันไส้พื่นตนเองที่ได้ควงสาวสวยเกินหน้าเกินตาความอิจฉาทําให้เขารู้สึกอยากทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้รู้จักกับสาวสวยคนนั้นบ้างฮัลโหลเร็กเหรอ mm. เออกูเองเป็นบ้าอะไรวะโทรมาป่านนี้ มาที่บ้านถูกรถทับหรืองไงเออโทษทีกูนึกว่ามึงยังไม่นอนอะ่ะฮ้ยนาฬิกาบ้านมึงเสียหรืองไงถึงไม่รู้จักดูเวลามีอะไรด่วนหรือเปล่าอ่ะไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้ไหมกูเพลียเฮ้ยคุยกันหน่อยนะาแบบว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้าเน็ตแล้วเจอรูปดูแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกับเด็กที่มึงควงไปเดินห้างวันเนี้ยอะจริงเหรอ เว็บไหนวะไม่รู้นะกูปิดเครื่องไปแล้วนี่กำลังเตรียมนอนแมลว่าเข้าลิงก์ของลิงก์ที่ forward มาทางเมลอะช่วยเปิดเครื่องทีได้ไหมบอกให้กูรู้หน่อยเอ๊ะแล้วมันสำคัญยังไงนักหนาเหรอเออเขาเพิ่งถูกแกล้งมานะ่ะสงสัยจะมีหลงเหลือหรือแพร่กระจายไปไหนตอนไหน <laughs> เออฟลกจริงโว้ยพูดมั่วๆดันแม่งซะได้ มึงเคยบอกชื่อเด็กมึงมาทีนึงชื่ออะไรนะกูลืมไปแล้วซายเออใช่ๆช่หน้าตาใช่ได้นิว่าชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะจะซักไปทำไมวะโอ้โหมีเมมด้วยเพื่อนเราถ้าทางหัวงหน้าดูเด็กคนแรกก็อย่างนี้แหละคือกูว่ากูคุ้นคุ้นอะนะดูเหมือนเคยเห็นเป็นเด็กเพื่อนกูมาก่อนน่ะงั้นเหรอฮ่าฮกูคิดแล้วคนไม่เคยมีแฟนโดนแหลหน่อยก็เป๋สมน้าหน้า เสือกมีแฟนสวยเกินหน้าเกินตากูกูไม่แน่ใจนะบอกแล้วว่าแค่คุ้นๆน่ะแต่ถ้าใช่ก็ถ้าใช่แนละ้วทําไมเออช่างเหอะเนี่ยมันไม่อยู่เสี้ยทิศหนึง่งรู้มตกอยบอกกูมาถ้าใช่คนที่เป็นแฟนเก่าเพื่อนมึงแล้วทําไมเออก็เอางี้เพื่อความชัวนะกูจะได้ไม่ต้องพูดพล่อยๆเขามีพี่สาวหรือว่าน้องสาวคนหนึ่งใช่มะใช่ซายมีพี่สาวคนหนึ่งคราวเนี้ย มึงบอกกูได้แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงเออถามเหวี่ยงแหแบบนี้ยังสืกโดนอีกเฮ้ย hey, อาจจาะบังเอิญก็ได้นะใครๆมันก็มีพี่สาวน้องสาวกันทั้งนั้นนั่นแหละเอางี้ดีกว่าถ้าอยากให้ชัวร์นะนัดสองสาวมาเล่นแบดกันสิวะดูชัดๆจะได้รู้แน่ๆไงอีกแลว้วมึงจะพูดตรงไปตรงมาไม่ได้หรือไงก็แค่ถามว่าเขามีพี่สาวน้องสาวเผยให้มึงสีไหม เท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วถ้าเป็นอ้อมคอมกวน้นไม่เข้าท่าเออกูไม่มีฟอร์มกับมึงหรอกหน้าเขาเรียกว่าอารัมพบทไงเอออารัมพบทได้แบบซบจริงๆเกือบทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายว่าแต่รูปที่เจอในเน็ตน่ะจริงหรือเปล่ากูจะได้จัดการอะไรหน่อยเออก็แค่คล้าย ๆ, ๆแต่รู้สึกว่าคงไม่ใช่หรอก แล้วที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับรูปของซรายเขาบนเน็ตงั้นเหรอเออมีไอเบื้อคนหนึ่งเกิดอยากลิ้มรสความเป็นดาวอยากให้หนุ่มๆ ม, มารุมตอมเลยแอบถ่ายรูปซรายไปโพสบนเว็บติดลมแล้วก็สวมรอยว่าเป็นตัวเองแถมพูดจายั่วยวนต่างๆนั่นหน้าเฮ้ยมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมึงเก็บรูปชุด น, นั้นไว้บ้างหรือเปล่าอะ่ะขอคุณดูหน่อยดิคราวก่อน กูขอรูปที่มึงแอบถ่ายหญิงมาดูมึงก็ไม่ให้ตากูมั่งละเรื่องอะไรจะให้เอ้ารูปพันนั้นมันรับเฉพาะนะเว้ยมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงของมึงแค่เห็นหน้าเห็นตาเฉยๆเองอะ่ะย่านึกว่ากูไม่รู้นะมึงอะ่ะปิงซาอยู่ใช่ไหมล่ก็เออสิวะยอมรับแล้วจะว่ายังไงอะ่ะรูปเนะี่ยจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้จำไว้เลยเดี๋ยวกูแอบถ่ายเอาเองก็ได้วะ ว่าแต่พี่สาวเขาอะมึงเคยเห็นหรือเปล่าเคยตอนไปบ้านซายครั้งแรกมึงจะลองทาบจริงๆเหรอสวยพอกันไม่ล่ะอืมมึงชํานาญกว่ากูเพราะงั้นมึงต้องดูเอาเองถึงจะถูกเอา้าแค่เทียบกันว่าใครแจ่มกว่าใครต้องอาศัยความชำนาญด้วยเหรอลางเนื้อชอบลางยากูไม่กล้าอาศัยตาตัวเองไปตัดสินแทนผู้ชนานาญการหรอก <c oughs> กูยอมรับว่ามึงแน่สาวคนแรกแต่งประกายแสบตาซะจริงๆตอนนี้มรรมีเรื่องระดับจากไก่อ่อนไปไก่แจ้แล้วเพราะฉะนั้นคำตัดสินนับว่าเชื่อถือได้ไก่จงไก่แจ้อะไรกูว่าดวลลายเจ้าชู้เก่งกับใครเป็นที่ไหนแค่โชคดีเข้าถึงตัวเขาง่ายหน่อยพอ ร, รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไม่งั้นป่านเนี้โค้งแงนหน้ามองกระสวยอวกาศตาค้างนอนไม่หลับกระสับกระสายไปแล้ว ไอชิบหายได้กระทบกูหรือเปล่าวะที่กูคิดถึงสาวคนนี้จนนอนไม่หลับต้องโทรมาหามันเนี่ยเอาละสรุปว่ามึงสัญญาจะพาสองสาวไปเล่นแบดกับพวกเรานะเขาไม่ชอบเล่นแบดหรอกอา่าแล้วชอบเล่นอะไรอะเล่นกับหมาฮะพูดจริงๆเขาเลี้ยงหมาน่ารักไว้ตัวหนึ่งแกออกมาลำบากมากแต่เอาเถอะเพื่อมึงกูจะลองพยายามชวนดู ขอบใจเว้ยเอาเป็นเสาร์หรืออาทิตย์นี้เลยเป็นไงเอ อ, เ อ, อแค่นี้นะกูจะนอนแล้วฮ <laughs> เย่จองเริกยอมขาเรียนหนึ่งวันเพื่อเดินทางไปรับโทรศัพท์มือถือที่ส่งซ่อไมไม่เมื่ออาทิตย์ก่อนแต่ความจริงตั้งใจจะไปสืบถามข่าวคราวของคนค่าตัวตายที่ตึกนั้นเป็นหลักเชื่อแน่ว่า ต้องเป็นข่าวใหญ่สำหรับคนทั้งตึกหลังจากรับโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยก็ถามข่าวเกี่ยวกับคนที่โดดตึกจนได้ทราบว่าผู้ตายเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งบนชั้นสิบจึงรีบขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นนั้นทันทีใจยังหวังอยู่บ้างว่าเมอาอุปการะอาจจะทายผิดการที่คนคนนั้นโดดตึกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย เขาจะได้พ้นจากค่วงเหวแห่งความรู้สึกผิดเสียทีในที่สุดก็มาถึงสักทีตื่นเต้นเหมือนกันนั่นไงเจอเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของบริษัทแล้วน่าจะพอถามได้เรื่องบ้างแล้วขอโทษนะครับสอบถามหน่อยนะครับ อ, อ๋อค่ะอาทิตย์ก่อนมีคนในบริษัทนี้โดดตึกใช่ไหมครับ มีธุระอะไรหรือเปล่าคะคือผมเอ่ออาจจะลีบคิดหน่อยสิพว้ยจะโอกหกยังไงคือคนตายอาจเกี่ยวข้องกับผมผมเพียงแค่อยากทราบว่ามีญาตินำศพไปมาเป็นกุศลที่วัดหรือยังอ๋อเป็นญาติกับคุณครองศิธิ์เหรอคะทางเราพยายามติดต่อภรรยาและญาติอยู่หลายวันแล้วคะ่ะ แต่เอกสุขที่ผ่านมาดูเหมือนภรยาไปรับศพจากโรงพยาบาลแล้วนี่คะเมียอาครองเอาศพไปไว้ที่วัดไหนสาลาอะไรหรอครับชักแหลได้เหมือนจริงแล้วกูวัดใกล้บ้านเขานะคะเดี๋ยวจะสอบถามให้นะคะขอบคุณครับเอออยู่สาลาสองวัดฟ้าใหม่นะคะวันนี้สวดอภิธรรมคืนสุดท้ายพอดีคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วเออ พอทราบสาเหตุหรื อ, อยังว่าทำไมอาครองถึงคิดสั้นเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบนะคะได้ยินว่ามีการทำงานผิดพลาดอะไรสักอย่างลองไปที่วัดแล้วสอบถามใครดูเถอคะค่ะเย็นวันนั้นจองเริกพานันทกาแม่ของตนไปร่วมฟังสวดศพคนที่โดดตึกในคืนสุดท้ายโดยไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งคู่มาถึงงานอย่งไม่เป็นที่สรุตาเจ้าภาพจองเิก พามันดาตนไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลังสุดแม่นั่งอยู่นี่ก่อนนะผมขอตัวไปคุยกับคนข้างๆที่นี่แป๊บหนึง่งเออแล้วรีบมานะงานเนี้ฉันไม่รู้จักใครสักคนไม่รู้พามาทำไมสิเอานะก็มาเป็นเพื่อนผมไงผมก็ไม่รู้จักใครเหมือนกันนั่นแหละจะคุยกับใครดีว่าเอาเลืกผู้ชายคนนี้ดีกว่า ดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกับคนตายน่าจะรู้รายละเอียดเหตุผลที่เขากระโดดตึกได้แน่สวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนร่วม ง, งานกับอากองสิทธิ์ใช่ไหมใช่น้องเป็นญาติของแกเหรอเออครับแล้วตอนนั้นพี่อยู่ในวันเกิดเหตุหรือเปล่าครับก็อยู่วันนั้นทุรดาด่วนยุ่งกันนัวเลยผมเพิ่งมาวันนี้ไม่กล้าถามมีอครองแก คิดว่าแกคงตอบมาบ่อยแล้วพี่พอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้แกโดดตำรวจสนิทฐานว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าไม่หรอกหัวหน้าโดดลงมาเองตรงๆเลยคนเห็นกับตากันเยอะแล้วเขาก็ชนะสูตรไปแล้วไม่ใช่ฆาตกรรมแน่ๆอ๋อเอ่ออากองเป็นหัวหน้าพี่เหรออืมอากองก็เป็นหัวหน้าที่ดีใช่ไหมครับก็โอเคอครองไปกระทันหันแบบนี้ คงจะทิ้งภาระหนักไว้ให้พี่พอดูโอ้ยโคตรเลยละ่ะชักเข้าเขาแล้วแฮลองกระทุงอีกทีเผื่อได้เรื่องอักครองแกเป็นระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทศูนย์ข้อมูลน่าจะมีความรับผิดชอบสูงแล้วแกไม่ได้สะสารอะไรไว้ก่อนเลยเหรอครับสะสารกับผีอะไรเล่าระเลงขี้ไว้ให้เช็ดก็ไม่ทันนะสิไม่รู้แกทายังไงของแกข้อมูลลูกค้าตลอดวันเสาร์ที่ผ่านเครื่องแกหายเรียบ อัปเดตข้อมูลลงเซิร์ฟเวอร์ก็มีแต่ไฟล์เก่ายุคหินทั้งนั้นเพราะลูกค้าจะใช้ดูวนในวันอาทิตย์แล้วไม่มีให้ก็จบเ hey, หเลยลูกค้าสูญสัญญามูลค่าเกือบร้อยล้านมั้งบริษัทจะโดนฟ้องอยู่เนี่ยต้องวินนาสันตรโรกันอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเพลิดเพลถ้าชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ก็อาจต้องปิดบริษัทเพราะชื่อเสียงและความรับผิดชอบตามกฎหมายของเราผูกกับงานพันนี้โดยตรงเจ๋งจังๆงานเดียวอาจหมายถึงต้องชดใช้ด้วยทั้งหมดที่เรามีเป็นเราจริงๆ เป็นความผิดของเราแท้ๆน้องอย่าทําหน้าเศร้าไปอย่างนั้นเลยที่หัวหน้าคิดสั้นคงเป็นเพราะอยู่ในช่วงทะเลาะ ก, กับแฟนด้วยเห็นว่าแฟนหอบลูกหนีไปนอนนอกบ้านน่ะรู้สึกกาลังมีปัญหาเรื่องเงินเินทองทองกันอยู่พอเครียดซ้อนเครียดเลยวูบด่วนตัดสินใจอย่างนั้นไปยังไงพี่ก็เสียใจด้วยนะครับพี่ขอบคุณเอ่อพี่พอทราบไม่ว่าครอบครัวของอาคอนติดหนี้หรือมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เท่าไหร่คุณแม่ผม อาจยื่นมือเข้ามาช่วยได้โอ้ยพี่จะไปรู้ได้ยังไงเล่าไม่สนิทกับหัวหน้าขนาดนั้นนี่เห็นแค่บน่บนๆว่าแม่ของแฟนป่วยหนักเจอค่ารักษาพยาบาลอานเลยน้องไปถามกับแฟนหัวหน้าสิถ้าอยากรู้จริงๆนะ่ะอ๋อครับแล้วลูกของอครองอายุเท่าไหร่พี่ทราบไหมครับเพิ่งสองสาขวบเองมัง้งคงยังไม่ทันจําหน้าพ่อได้ชัดๆหรอกเอ๊ะนี่แสดงว่าน้องไม่ได้ติดต่อกับหัวหน้านา น, นแล้วสิถึงไม่รู้อะไรเลยอ่ะครับพี่ผมได้แย่จริงๆ ที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอากองเอาซะเลยเดี๋ยวคงต้องติดต่อแฟนอารองเพื่อให้คุณแม่ผมช่วยเหลือซะหน่อยขอบคุณมากนะครับได้ได้ไม่เป็นไรอา้าวมาแล้วเหลือแกเออดีพระท่านจะเริ่มสวดแล้วฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังคนเดียวเบื่อแม่ผมมีเรื่องจะให้แม่ช่วยหน่อยช่วยเรื่องอะไรนี่แกฉันนั่นนะ ชักเริ่มหวาดหวาดตั้งแต่แกพาไปเอาเงินที่สวิตแล้วนะนี่ก็มางานศพคนไม่รู้จักอีกมันเรื่องอะไรกันแน่เหไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกแม่ขอให้แม่มั่นใจเถอะว่าผมไม่มีวันทําให้แม่เดือดร้อนแน่ๆก็พอเออแล้วแกอะใจฉันช่วยอะไระแม่ช่วยไปคุยกับเมียคนตายหน่อยสิเรียบเคียงถามเขาว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินอะไรไหม อืมแล้วไงต่อผมอยากให้แม่ช่วยจัดการปัญหาเรื่องเงินของครอบครัวนี้ทั้งหมดและถ้าทำได้ก็ให้เงินกับเขาไว้สักก้อนให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ลำบากเอออะไรกันนี่จะช่วยกันถึงขนาดนี้เลยเหรอเขาเป็นอะไรกับแกโถแม่อย่าถามอะไรผมมากได้ไห ม, มผมช่วยใช้หนี้แม่ได้หมดแล้วจองรถใหม่ได้อีกคันแถมนีงมีเงินในบัญชีให้แม่ใช้ตามสบายที่อีก คราวนี้ผมอยากจะช่วยพวกเขาบ้างไม่สะเทือนเงินในบัญชีแม่หรอกแค่ให้ช่วยออกหน้าให้เท่านั้นเองงั้นแกต้องบอกฉันก่อนว่าเขาอะเป็นอะไรกับแกแกถึงต้องช่วยเขามากขนาดนี้ผมบอกได้แค่ว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมรู้สึกผิดมากที่สุดในชีวิตถ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อครอบครัวของเขาเลยชีวิตผมจะไม่มีความสุขตลอดไปแค่นี้พอไหมแม่ เออเออได้ได้ได้ไดถ้าชาติห้ามีจริงก็แปลว่าความตายไม่มีและชายคนนี้ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นการเลือกเกิดใหม่ในสภาพที่แย่กว่าเดิมแย่จนเรียกว่าเป็นความหายนะ ก, ก็ได้และความหายนะที่แท้จริงข้อนี้ก็ไม่อาจแก้ไขให้กลับกลายเป็นดีขึ้นมาได้อีก ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วความหายนณะจากเรื่องสวยๆทั้งหลายที่จองเริกประสบยังดีกว่าตรงที่เป็นความหายนณะของคนมีชีวิตซึ่งยังมีสิทธิ์เปลี่ยนล้มให้กลายเป็นลุกและอาจแปลทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้มนุษย์กว่าครึ่งโลกต้องประสบกับความวิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นานปีกว่าจะรู้ซึ้งว่าชีวิตไม่ใช่ของเล่นสำหรับจองเลิกนับว่ามีวาสนามากแล้ว ที่ได้พบกับผู้พลิกความคิดได้เสียตั้งแต่ต้นวัยยังไม่ทันก่อบาปก่อกรรมจนอย่างรากแก้วยึดเข้าไว้กับอกุศลแน่นหนาเกินถอนนาทีนี้เองที่จองเลิกได้เกิดความตั้งใจที่จะเชื่อมัน่นและศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์เพื่อจะใช้ชีวิตที่เหลือของตนเพื่อแก้วความวิบัติให้กับตนเองและผู้อื่นจนกว่าชีวิตจะหาไม่